ใครสมประสงในโลกไม่มีพระสวสดาบันสมประสงบ้ากพระสักทาคามีก็สมประสงมากพระอนาคามีก็สมประสงมากพระอรหันสมประสงเต็มภูมิเหนือดังนั้นจะสําคัญต่อ ว, ว่าสมประสงมันก็เป็นเรื่องของไข่ข้อมันนะโซดาปฏิมักโซดาปฏิผลสักทาคาเมมัก ชกทาคามิผลอ น, นาคาเมมัคอ น, นาคาเมิผลอ น, นาฮัตตะมัคอนาฮัตตผลอ น, นั้นสมประสงอย่างเต็มภูมิําก่านั่นลงมาสาคัญผิดดีใจอย่างเต็มที่เดี๋ยวกว็เสียใจอย่างเต็มที่ําก่านั่นลงมาสาคัญตัวว่มีราามียศมีสนศสริญมีสุข ก็จะเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมสรรเสริญเสื่อมสุขเพราะมันเป็นโลกีโลกีเพระบรามศาสด า, าไม่รับรองว่าเป็นสุขมีแต่ทุกข์ลวดๆสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์จะรั่ตัวหรือไม่รั่ตัวก็ไม่เป็นปัญหาถ้ายังไม่ถึงสุปฏิปนชุชยยะสาเมหรือขั้นใดขั้นหนึ่งก็เรียกว่าโลกี ตายจากมนุษย์ก็ไปเกิดเทวโ ล, ลมมโลกบ้าผู้ที่สร้างกุศลผลบุญพรหมโลกบ้าถ้าเป็ น, ปนพนนนนรห ม, ร ท, รมรที่เป็นโลกิยะพรหมก็ไม่แน่นอนอีกเหมือนกันถ้าโลกุตระพรหมสวรรค์ที่เป็นโลกุตระก็มีสวรรค์ที่เป็นโลกีก็มีสวรรค์ที่เป็นโลกุตระก็คือสวรรค์ของสุปฏิพโน สวนรคที่เป็นโลคีก็คือสวรรค์ได้ทำบุญบ้างมีธานวัตรศีรวัตรภาวนาวัตรบ้างก็ไปตามเมื่อชิ้นลมพานแล้วก็ไปตามฐานันดรของตนทีนี้หมดอันนี้สงก็ถลลงมาออกไม่เหมือนสุภจรปโนไม่เหมือนอุชุยายะสามีนานาธาตุยานังพระพุทธเจ้าลู่ทา ต, ต่างๆ ธ you าต so. ุแบ่งออกเป็นสองโลคิยาธาตุโลกุตระธาตุธรรมก็แบ่งออกเป็นสองโลคิยาธรรมโลกุตระธรรมบุคคลก็แบ่งเป็นสองบุคคลที่เป็นโลกีบุคคลที่เป็นโลกุตระสังขารก็แบ่งออกเป็นสองโลคิยาสังขารโลกุตระสังขาร โลกุณรลสังขารประหมายเอาแต่สุปฏิปันโนเป็นต้นไปจนถึงอนาคาส่วนอหรหันนั่นไม่ได้จัดปราเป็นสังขารใช้แล้วเมื่อเห็นความขัดข้องของโลกมีทุกทิศทุกทางทั้งไกลและใกล้ก็เป็นเหตุให้เพิ่มความเบื่อนหน่ายคลายเมาละอาในวันตาสงสาร ชาวโลกมาแยกธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมกันเพราะยังไม่รู้เท่าธาตุดินน้ำไฟลมเลือกสวนไร่นาก็ธาตุดินน้ำข้าในานาก็ธาตุน้ำหรือในต้นไม้ลมพัดไปมาอากาศดีไม่ดีก็อากาศธาตุร้อนเกินไปก็คือไฟเผาเย็นเกินไปก็คือหนาวจัด ธาตุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่ามหาภูตธาตุทีนี่กุศลธาตุที่เราสร้างทานวัดศีลวัดภาวนาวัดเรียกว่ากุศลธาตุภาวนาท่านก็บอกว่าภาวนาธาตุผู้แผ่เมตตาก็เมตตาธาตุเรียกว่ากุศลธาตุสิ่งที่เป็นบาปก็เรียกว่าอกุศลธาตุ สิ่งที่เป็นบุญเขาเรียกว่ากุศลธรรมสิ่งที่เป็นบาปเขาเรียกว่าอกุศลธรรมแต่บาปก็แบ่งออกเป็นสองบาปในทางโลคีบาปในทางโลกุตระพระศวัสดิวันก็มีบาปอยู่แต่ว่าบาปมีหนทางที่จะแก้ได้พระสกทาคารมีก็มีบาปอยู่พระอนาคารมีก็มีบาปอยู่ไม่มีบาปแต่พระอรหันต์เขาท่านพ้นไปแล้วทั้งบาปทั้งบุญ เวลาของผู้สนใจในธรรมเป็นเวลาที่มีค่าเวลาของผู้นอนใจในวัตาสองศาลเป็นเวลาที่ขาดทุนถ้าหากว่าเราถือว่ามามีบุญไมบาปความเห็นชนิดนั้นมันเป็นเครื่องอุ่นใจของเราหรือไม่เราก็ต้องทวนดู เรานอนใจในวัฏฏะท้องศารแล้ววันแล้วคืนไปเป็นเครื่องอุ่นใจของเราแล้วหรือยังเป็นความเห็นที่ถูกต้องแล้วหรือเป็นเครื่องอบอุ่นแล้วหรือยังอันนี้ก็เป็นหน้าที่แต่ละท่านแต่ละคนจะตรวจดูตนเองชาวโลกอนามานรบราข้าฟันกันอยู่ทุกคนทุกแห่ง ก็เป็นเหตุได้ฟังเทศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนชาติพิทุขาเท่านั้นก็เป็นกันเทศไมโรงธรามะแล้วเพราะมีชาติอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนและก็มีทุกอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนชราพิทุขาก็เทศอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเอกถ้าเราฟังเราพิจารณาก็เรียกว่ากุศลธาตุเป็นบุญ เป็นกุศลไน่นำปีทุกขงังตายจากเข้าวสายบ่ายเที่ยงความดีใจเสียใจดีใจเสียใจอะไรก็เพราะกิเลสพาดีใจเสียใจเพรามันไม่ได้สมประสงค์จะให้มันสมประสงค์ของใครในวัฏฏะสงสารมันไม่สมประสงค์เลยเกิดมาแล้วก็ไม่สมประสงค์เพราะมันแก่มันเก็บมันตาย สิ่งไหนที่สมมุติว่าได้มาสิ่งนั้นก็สมมุติว่าเตรียมจะเสียแล้วสิ่งไหนที่มันได้มามันก็มีเอาความเสียมาครอบคือวินาทีหนึ่งก็สมมุติว่าได้แต่มันก็ล่วงไปนะมันมีทั้งได้ทั้งเสียหเห็นอยู่ซึ่งหน้าสมมุติว่าได้นึกได้คิดแต่มันก็ล่วงไปอยู่ซึ่งหน้านะติดกันเลย ถ้าในวัตจทกรสงสารมีสิ่งที่เป็นแกนสารเลยพระอริยเจ้าก็าเข้าสู่พระิพะนานไม่ได้เพราะวัตจักรสงสารไม่มีแกนสารอัะไรเลยไม่มีสิ่งที่เป็นเครื่องอบอุ่นชีวิตก็ไม่อบอุ่นสมมติเราเป็นชีวิตทรัพย์สมบัติภายนอกก็ไม่เป็นเครื่องอบอุ่นไม่รู้ว่าจะพัดภาคไปวันไหน เราแปรพัดภาคมันมันก็จะพัดภาคเราการเมืองเรื่องกิเลสเมืองตาเมืองหูเมืองจมูกเมืองลิ้นเมืองกายส่งไปหาเมืองใจใจก็ทํางานอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะคอยรับเมรับเมตาส่งรูกเข้าไปหารับเมหูส่งเสียงเข้าไปหารับเมจมูก ส่งกลิ่นเข้าไปหารับเมริณส่งรถเข้าไปหารับเมกายส่งเย็นร้อนอ่อนแข็งเข้าไปหารับเมใจคือธรรมารมเรื่องของใจคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทัพระธรรมารมที่ร่วงไปแล้วนั่นเองเอามานึกมาคิดรูปเสียงกลิ่นรส โผล่ทพธรรมารมณที่ยังไม่มาถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผล่ทพธรรมารมณ์ที่กําลังเป็อนอยู่สิ่งเหล่านี้วนเวียนอยู่จิตใจก็ทัศนาจรไปทางตาบ้างทัศนาจรไปทางหูทัศนาจรไปทางจมูกทัศนาจรไปทางลิน้นทัศนาจรไปทางกายทัศนาจรไปทางธรรมารมณ์ ไม่มีเงินต้นเงินปลายแต่ละวันละวันแล้วก็ล่วงไปร่วงไปร่วงไปไม่อยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดเลยสิ่งที่อยู่ในใน ว, วงแขนก็คือรู้ตามเป็นจริงเท่านั้นรู้ตามเป็นจริงตอนไหนตอนนั่นก็จะไม่ได้สงสัยอีกถ้าไม่รู้ตามเป็นจริงตอนไหนตอนนั่นก็ต้องสงสัยอีก ตัางขาเวทารณ์วิสุทธิความหมดจดแห่งยานเป็นเครื่องข้ามพ้นความสงสัยเห็นอนิจจังชัดในไตโรโลกธาตุก็ข้ามพ้นความสงสัยในไตโรโลกธาตุเห็นทุกชัดในวัฏจักก็ข้ามความสงสัยในไตโรโลกธาตุโรคภายในมีตาหูจมูกเล่นกายใจเป็นต้น โลกภายนอกมีรูปเสียงกลิ่นรสโอธพะธรรมมารมณ์เป็นต้นดินภายในมีผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกื้อและกระดูกม้ามหัวใจตับปังปืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า น, นี่เรียกว่าดินภายในที่สมมติว่าเราเราหรือของแต่ละท่านละท่านน้ำภายในดีเสเลดน้องเงือดเลือดเหงื่อบันค้นน้ำตา เปรยวมันน้ําลายน้ํามูกน้ําไขข้อน้ำมูกนเรียกว่าน้ําภายในไฟภายในไฟที่ยังกายให้ออุ่นไฟที่ยางกายให้สุดโฉมไฟที่ยังกายให้กวนกรวายไฟที่เผาอาหารให้ร่อยนี่เป็นธาตุไฟธรรมชาติส่วนธาตุไฟกิเลสไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะอันนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละรายของบุคคลผู้มีกิเลสมากก็ไฟเผามากอันนั้น ผู้มีกิเลน้อยก็ไฟเผาน้อยอัน น, นผู้ไม่มีเลยก็ไม่เผาอั น, นันลมพัดขึ้นเบ้างบนลมพัดลงเบ้างต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้เรียกว่าลมภายในส่วนลมภายนอกก็ของบุคคลอื่นท่านผู้อื่นรธรรมดาที่อยู่ในนอกจากตัวเราไปเรียกว่าของภายนอกนอกจากสมมุติว่าเราเร า, เราไป ดินน้ำไฟลมทั้งหลายเหล่านี้ก็มีคุณค่าอันเดียวกันเกิดขึ้นได้แตกสลายลงไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันไม่ได้อยู่ในอำนาจของใครเลยข้าพเจ้าเป็นดินของคนนั้นข้าพเจ้าเป็นน้ำของคนนี้ข้าพเจ้าเป็นไฟของคนนั้นข้าพเจ้าเป็นไฟของคนนี้ข้าพเจ้าเป็นลมของท่านผู้นั้นข้าพเจ้าเป็นลมของท่านผู้นี้ธาตุทั้งหลายก็ไม่ได้มายืนยันด้วยแต่โมหะธาตุของเรา มันไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของแต่ละท่านละท่านจริงแล้วนั่นจะอยู่ในวงแขนหรือไม่รมอยู่ในวงแขนก็ตามแต่ว่าขอได้ยึดถือก็เป็นพอความเห็นเชนินี้เป็นที่สบายของใจแล้วหรือยังเป็นเครื่องอบอุ่นของใจแล้วหรือยังท้าใจไม่เหนือโลก ความสุขของใจจะมาจากประตูไหนข้าใจไม่เหนือสังขารสติปัญญาไม่เหนือสังขารไปความสุขของใจจะมาจากประตูไหนสังขารก็มีแต่เกิดขึ้นแฝงปวนและแตกสลายอยู่ไม่มีกลาวันกลางคืนไม่นึกว่าจะเป็นสมบัติสิ่งของกับท่านผู้ใดเลยและก็ไม่ปฏิเสธเหมือนกันและก็ไม่วางเฉยเหมือนกันก็ไม่อุเบกขาเหมือนกัน สังขารทางหลายมีหน้าที่เป็นยังไงก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ผู้มายึดถือสังขารมาเป็นตนจนเป็นสังขารจะแก้หรือไม่อันนี้มันเป็นปัญหาแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละของใครของมั น, น, นผู้ที่มาหลงสังขารคือใครคือกิเลสใช่ไหมกิเลสเรามีหรือไม่โรคปวดหลงของเรามีหรือไม่ เบาบางแล้วหรือยังอันนี้เป็นหน้าที่ของใครของมันจะพิจารณาตนเองถามมันดูดูผู้เจ้าก็แต่เดิมมันเป็นของใครมันก็ไม่ตอบมันยืนยันว่ามันเป็นของใครทุกวันมันก็ไม่ตอบมันก็ไม่ปัดเหมือนกันก็ไม่ว่าแต่ของภายนอกตา มันเป็นตาของใครถามมันดูรู้หูก็เหมือนกันจมูกก็เหมือนกันเล่นก็เหมือนกันกายก็เหมือนกันมันก็ไม่ตอบด้วยตกลงผู้สร้างปัญหาขึ้นก็คือตนผู้ตอบก็คือตนผู้ถามก็คือตนผู้ส ง, สงสัยก็คือตนคือใจสิ่งอื่นอื่นไม่ได้มาเป็นปัญหาด้วยไม่ได้มาสร้างปัญหาใส่กับใจ ใจสร้างปัญหาใส่ตนเองสมมติขึ้นตนเองสิ่งอื่นเขาไม่รับไม่ปัดดินน้ำไฟลมภายนอกเขาก็ไม่รับไม่ปัดตากูหูคูจมูกกูเลี้ยนคูกายคูใจคูลรูปเสียงกลิ่นรสโพดพระธรรมอารมของกูก็มีใจเป็นผู้วัญญยัดขึ้นมีใจเป็นผู้ยึดถือสิ่งเหล่านี้ เขารับเขาปัดกับเราหรือไม่รับเขาก็ไม่รับปัดเขาก็ไม่ปัดใส่ชื่อลือนามให้ข้าพเจ้าว่าตาขอขอบพระคุณใส่ชื่อให้ข้าพเจ้าว่าหูก็ขอขอบพระคุณจมูกเล่นกายก็เหมือนกันเขาก็ไม่ว่าเขาก็ไม่ปัดเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่อุบเบกขาเขาก็ไม่รับสูบรับสุปด้วย ปัญหาทั้งหลายตกอยู่กับตนเองหมดตนคือใจใจคือตนตามสมมุติตามปรมัติตใจก็เป็นแต่สักว่าใจกายก็เป็นแต่สักว่ากายดินก็เป็นแต่สักว่าดินน้ำก็เป็นแต่สักว่านา้าไฟก็เป็นแต่สักว่าไฟตามสมมติส่วนปรมาจิ มัดเข้ามาหาใจสมมุติกว่าสมมุติเข้ามาหาใจปรา ม, ามัดก็มัดเข้ามาหาใจพระสูตรก็สูตรของระใจพระปรมัดก็มัดเข้ามาหาใจพระวินัยก็วินัยของใจพุทธรรมสง bueno. สมก็ทรงอยู่ที่ใจบาปูนคนโทษก็ทรงอยู่ที่ใจนรกสวรรค์ก็ทรงอยู่ที่ใจไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นถ้ามีก็มีอยู่ที่นี้ถ้าไม่มีก็ไม่มีอยู่ที่นี้ ถ้าเห็นก็เห็นกันอยู่ที่นี้ถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นกันอยู่ที่นี่ถ้าสงสัยก็สงสัยกันอยู่ที่นี้ถ้าไม่สงสัยก็ไม่สงสัยกันอยู่ที่นี่เทศอยู่ 45, <า>สี่สิบห้าพรรษาก็เทศลงถึงใจทั้งนั้นเรียกว่าคำพีโรแปลว่าลึกล้ำเพราะจิตใจเป็นของลึกล้ำติดก็ติดกันอยู่ที่นี้พ้นก็พ้นกันอยู่ที่นี่ ไม่พ้นก็ไม่พ้นกันอยู่ที่นี้ข้ามทะเลหลงก็ข้ามกันอยู่ที่นี้มากข้ามไม่ได้ก็ออยู่ในที่นี้ไม่ได้อยู่ในที่อื่นข้ามเวทนาได้ด้วยวิธีใดข้ามเวทนาด้วยไม่ยึดถือว่าเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาผู้อื่นเป็นเวทนาเวทนาเป็นผู้อื่น ข้ามกายได้ด้วยไม่สำคัญว่ากายเป็นตนตนเป็นกายผู้อื่นเป็นกายกายเป็นผู้อื่นหรือสัตว์อื่นข้ามใจได้ไม่ได้ยึดถือว่าใจเป็นตนตนเป็นใจจึงจะข้ามใจได้จึงจะข้ามผู้รู้ได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ข้ามไม่ได้สมมติวางสมมติปล่อยถ้ามันรู้เท่ามันปล่อยเองจะไปสมมติมันก็ไม่ถูกเช่นเรารับตาล้วลืมเข้า ลืมตาเข้ามันเห็นแล้วไม่ได้สมมุติปล่อยมันมันปล่อยเองมันถ้าเรารููทันสิ่งไหนสิ่งนั้นมันปล่อยเองมันจะไปใช่กิริยาปล่อยอีกมันก็ไม่ถูกทุกวันนี่มันหลงปัญหาของใครของมันเพราะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างต่างคนก็ต่างผูกขึ้นต่างคนก็ต่างหลงกันอยู่นั่นหลงของใครของมันเมื่อหลงของตนแล้วก็ไปหลงของท่านผู้อื่นเองนั่นเอา้าใครสมประสง อะไรบ้างถ้าสมประสง์ก็ไม่มีที่แท่งพระละหันท่านสมประสง์ไม่มีที่แท่งพราะกเกเรท่านไม่มีพวกเราถ้าว่าสมสงะสอเกิเลทมันมีอยู่มันก็เรียกว่าไม่สมประสง น, นันั่นนั่นเรียกว่าวิปัสสนาธุระไม่ใช่สมถะธุระไม่ใช่ศีลธุระไม่ใช่สมาธิธุระเรียกว่าวิปัสสนาธุระวิปัสสนาธุระกับปัญญาธุระก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นัน่น เพราะธุระทางปัญญาเมื่อธุระทางปัญญาแล้วศีลและสมาธิก er mm ็มารวมอยู่ที่นั้นดึงดูดมาอยู่ที่นั้นศีลชั้นไหนไหนสมาธิชั้นใดๆก็ต้องมีปัญญาเป็นนายหน้าศีลก็ต้องมีตัวเดียวสมาธิก็ต้องมีตัวเดียวปัญญาก็ต้องมีตัวเดียวรวมเกินกันอยู่ที่ดวงใจถ้ามันสูงขึ้นมันก็สูงขึ้นด้วยกันถ้าศีลสูงสมาธิก็สูงขึ้นด้วยกันปัญญาก็สูงขึ้นด้วยกัน ศีลสมาธิปัญญาของพุทุชนคนหนาศีลสมาธิปัญญาของพระสุทึกปจิปโนก็มีตัวเดียวลงกินกันอยู่ในปัจจุบันศีลสมาธิปัญญาของสกทาคามีก็มีตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาของพระอนาคามีก็มีตัวเดียวศีลสมาธิปัญญาของพระอรหันตก็มีตัวเดียวแต่เป็นมหาศีลเป็นมหาสมาธิเป็นมหาปัญญา เป็นนิมุติศีลเป็นนมุติสมาธิเป็นนมุติปัญญาส่วนพระศวดาบรลเป็นศีลเอกเทศเป็นสมาธิเอกเทศเป็นปัญญาเอกเทศเขาะจะได้เคลื่อนขึ้นไปอยู่เป็นเอกเทศของโลกีของโลกุตระไม่ใช่โลกีต่ำกว่านั้นลงมาเป็นโลกีเพราะไม่แน่นอนถ้าสงสัยคําสอนพระพุทธศาสนา ได้กว่าคําสอนอื่นๆด้านใดด้านหนึ่งอย่างนี้การปฏิบัติพระพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมะมันก็ไม่ดูดมันก็ไม่พ้นความสงสัยถ้าสําคัญว่าในใจโลกธาตุทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งยากทั้งละเอียดมีสิ่งที่เหนือจากพระพุทธศาสนาไปแล้วมันก็สงสัยมันก็ไม่สนิท มันก็รูค้คำมันก็ไม่เชื่อมันก็ขบรตนเองบุคคลจะสิ้นความสงสัยเพราะปัญญาสติป้องกันความอยากเยอทยานความอยากจ ะ, จะพ้นไปได้เพราะพระปัญญาในชั้นใดๆก็เหมือนกันถ้าจะพูดมาแล้วคำสอนพระพุทธศาสนาไม่มีมาก ที่เราปัญญาติออกมากก็เพราะเทศอยู่แปดมืนสีพระธรรมขันธ์เทศอยู่สี่สิบห้าพันษาถ้ายดอลงมาเป็นเอกาณ์บาทแล้วก็ไม่มากศีล ส, สมาธิปัญญามีตัวเดียวกลมกลืนไปกันไปอยู่ทุกขณะขณะจนถึงพระหันศีลสองรอยี่สิบเกดมันไม่ใช่ศีลอันนั้นข้อผิดถ้ามันไม่ผิดแล้วมารวมอยู่ที่ตัวเดียวศีลหก็เหมือนกันศีลแปดก็เหมือนกันสมาธิเหมือนกัน สมาธิแบบนั่นสมาธิแบบนี้สมาธิแปลว่าความตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นอยู่ในอันไหนแล้วมันก็บแล้วห่ะ <c oughs> ปัญญาความรอบรู้เหมือนกันปังปัญญารอบรู้ในีกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไรรอบรู้เนีกองสังขารตามเป็นจริงเพราะสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและแตกสลายนี่เรียกว่ารอบรู้ในีองสังขารตามเป็นจริงไมไม่ใช่สิ่งอื่น ธรรมดาสังขารมีแต่เกิดขึ้นแล้วแปรปวนและแตกสลายเท่านั้นไม่มีลูกไม่อื่นในใจโลกธาตุก็มีเท่านั้นโลกจะมีตั้งหมื่นตั้งแสนตั้งล้านก็ตามก็มีเกิดขึ้นแปรปวนและแตกสลายเท่านั้นเมื่อเห็นอั น, นจังชัดมันก็เห็นโลกชัดแล้วมันก็เป็นตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาด้วยนั่นยังกินชีสมุทัยธรรมสัพพันตังนโรธธรรมมันติ พระัญญาโกณทัญญะเห็นอันนีจ้จางชัดนั่นเองที่ถึงพระสวสดาบัล น, นั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิด ข, ขึ้นแล้วสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีความดับสูญเป็นธรรมดาเห็นชัดอันนี้แล้วเรียกว่าเห็นโลกชัดสมมุติในหยาบๆยาบยิงนกโป้งข่าวเดียวเราได้หมดทั้งใจรกชาตเลยสมมุติหยาบหยาบในทางโลก ขณะจิตแคบเดียวเห็นใจรกธาตเลยไม่ได้ปิดบังเดียวกว่าปัญญายะมานปัญญายะบริสุทธิ์สติบุคคลจะบริสุทธิ์ชั้นไหนก็พระปัญญาโลปัญญาโลกจมิปัจโชตูแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีแสงพระอาทิตย์ปัญญายังกํา มันยังมีที่กำบังอยู่ส่วนปัญญาไม่มีสิ่งที่กำบังซองทะลุภขเขาาซองทะลุใต้ดินใต้ฟ้าเห็นอันนี้จ้งชัดมันก็เห็นทุกชัดเหมือนกันมันก็เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนชัดเหมือนกันเพราะมนันเป็นเป้าอันเดียวกันไม่ใช่อยู่คนละมุมโลกเมื่อเห็นหน้าชัดมันก็เห็นตาชัดเหมือนกันก็เห็นจมูกชัดเหมือนกัน เพราะมันไม่อยู่คนละมุมโลกเมื่อเห็นหนังชัดก็เห็นว่า เ, yeah. เห็นกระดูกชัดเหมือนกันถ้าเห็นดินชัดก็เห็นน้ําเห็นไฟเห็นลมชัดเหมือนกันถ้าเห็นได้ชัดก็เห็นเสียชัดเหมือนกันที่เราสมมุติว่าสิ่งไหนมันได้สิ่งนั้นมันเสียซึ่งหน้านัน่เพราะมันไม่เหมือ น, นได้วัคคุณในพานได้วัคคุณในพานมันไม่เสียหายไปไหน สิ้นความสงสัยตอนไหนๆมันก็ไม่เสียหายไปและมันก็ไม่ขบดคืนนักเพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เป็นผู้สมัครอยู่ในโลกอยู่ในโลกด้วยความจำเป็นเฉยๆเป็นผู้สมัครออกจากโลกออกจากความหลงไม่ได้หวังให้มาพอก พ, พูนความหลงให้ทำลายความหลง เคยเป็นชี้ค่าความหลงมาหลายพบรายชาติแล้วจะถอนความหลงด้วยพระปัญญาลูกระเบิดปรมาณูก็คือพระปัญญาทำลายความหลงแตกกระเจิงลูกระเบิดชั้นพระอาหารหันทำลายความหลงแต่กรกะเจิงเพราะพระปัญญาเห็นชัดเห็นธาตุ น, น้าไฟลมเสมอการหมด เห็นผู้ลูกเสมอกันหมดเห็นว่าเป็นสังขารจะรู้อะไรก็ตามจัดเป็นสังขารเท่านั้นพระนิพพานมาได้เอาผู้ลูกไปด้วยผู้ยังติดอยู่ในผู้ลูกเมื่อตายคาผู้ลูกก็ไปเกิดลูกอรุปรพมเหมือนพวกอาราดาบทอุตกะราบทบทรามบุตรน่พวกที่ภาวนาไปเห็นอันนั้นอันนี้อันนั้นอันนี้ไปเห็นนิมิตอันนั้นอันนี้นิมิตไปลว่าเครื่องหมายถ้าตายคานั้น ก็ไปเกิดพม่าโที่มีรูปพวกที่พิจน า, นาติดสุขอย่างนี้ไปเสเวย อ, อุเบกขาอยู่ถ้าตายคานั้นก็ไปอรูปประมที่ไม่มีรูปผู้ตายคาสุขเขาเอธนาก็เหมือนกันภาวนาไปแ้วมันสุขที่ได้ติดอยู่ตายคานั้นก็ไปเกิดอรูปประมเหมือนกันยังไม่พ้นสุขก็ไม่ติดท ก็ไม่ติดอุเบกขาก็ไม่ติดศูนย์ก็ไม่ติดไม่ศูนย์ก็ไม่ติดพวกนั้นจึงจะพ้นถ้าอย่างนั้นไม่พ้นหรอกใครจะโกหกพวกรมสักเพียงไหนเราก็ไม่เชื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติพวกเราเคยท่องเที่ยวมาแล้วยังไม่ถึงพระนิพพานสมบัติเท่านั้นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัติพวกเราเคยท่องเที่ยวมาแล้วนรก ทุกหน่วยพวกเราเคยท่องเที่ยวมาแล้วสัตติรชานพวกเราก็เคยท่องเที่ยวมาแล้วปูปลานาหน้ําอะไรหมูหมาเป็ดไก่สารพัดสิ่งที่มีวิญญาณครองสิ่งสัตว์เสือกสัตว์ครานสัตว์ว่ายในน้ําดําในดินบินในอากาศผู้เกิดในคันในไขน่ในเท่าในไข่และเกิดพุดขึ้นโยนิ้สี่พวกเราได้เกิดทุกอย่างแล้วโยนี้สี่คือชราพุชะเกิดในคันอันทชะเกิดในฟองไข่ สังเสทชะเกิดในเท่าใครอุปปาทิกะเกิดพุดขึ้นเหมือนสัตว์ไดลกหรือในสวรรค์พวกเราทั้งหลายได้ท่องเที่ยวมาแล้วเป็นของเก่าพวกเราทั้งหลายนั่นเองนั่นเกิดแก่เก็บตายพวกเราก็ท่องเที่ยวมาแลว้วสมมุติว่าดีใจเสียใจก็พวกเราท่องเที่ยวมาแลว้วสมมุติว่าได้ว่าเสียพวกเราก็ได้ท่องเที่ยวมาแลว้ว สมมติว่ากินว่าถ่ายพวกเราก็ได้ท่องเที่ยวมาแล้วสมมุติว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลตัพระสิ่งที่พอใจพวกเราก็ได้ท่องเที่ยวมาแล้วสิ่งที่ไม่พอใจพวกเราก็ได้ท่องเที่ยวมาแล้วสิ่งที่เป็นอุเบกขาพวกเราก็ได้ท่องเที่ยวมาแล้วโรคสุขโรคทุกข์โรคอุเบกขาพวกเราได้ท่องเที่ยวมาแล้วเราจะข้ามหรือไม่เราจะข้ามด้วยวิธีใด ข้ามด้วยไม่ ย, ยึดว่าสุขทุกขเบกขาเป็นเราเราเป็นสุขทุกขเบกขาตัวข้าของข้าตัวกูของกูตัวเราของเราภูเขาภูเราข้ามยากพระรหันเท่านั้นข้ามได้ข้ามภูเขาภูเราด้วยพระปัญญาไม่ได้ข้ามด้วยเครื่องบินโลกเขาโลกเราพระรหันเท่านั้นข้ามได้ เหือรองนั่นยังข้ามไม่ได้สิ่งไหนที่เรายึดถือเอาเป็นเจ้าของจริงจริงจังจั ง, งจนแกะไม่ได้คลายไม่ออกอันนั่นคือพบอันละเอียดคือชาติอันละเอียดอันนั้นเอาหน้า ม, มาให้เราดื่มบ้างเ ร, ราบาเรามาศาสตราคําว่าเราขององค์ท่านไม่มีอุปท า, านอยู่ที่นั้นเราเหี้ยน้ำนักอานนท์เอย๋ย ผู้ผ้าสังฆาติลงให้เป็นสี่ชั้นเราจะเองกายสักหน่อยเราเหนื่อยนักเราก็หายนักเธอจงไปตักน้ามาให้เราดื่มพูดเฉยเฉยไม่ได้เสียใจพูดตามสมมุติถ้าจะพูดว่าอนนต์เอย๋ยอนัตตาดอกนี่ไม่ใช่สัตไม่ใช่บุคคลดอกฉันก็ไม่พูดท่านก็พูดตามสมมติ เมื่อท่านพูดพ่นไปแล้วท่านพูดสมมุติท่านก็ไม่ติดสมมุติท่านพูดเวมุติท่านก็ไม่ติดเวมุดเพราะปัญญาของท่านเหนือสิ่งเหล่านี้ไปแล้วท่านพูดว่าท่านได้ท่านก็ไม่ติดได้ท่านพูดว่าท่านเสียท่านก็ไม่ติดเสียแต่พวกเรามันคอยแต่จะติดเพราะมันมียาเสพติดนั่งมันก็ติดนั่งนอนมันก็ติดนอนพูดมันก็ติดพูดฉลาดมันก็ติดฉลาด โง่มันก็ติดโง่พราะมันข้ามอุปทานไม่ได้นึกคิดมันก็ติดนึกคิดยาเสพติดพระละหันไม่มียาเสพติดนึกคิดท่านก็ไม่ติดนึกคิดแต่พวกเราทำอะไรมันก็ติดหมดเนี่ยถึงมันร่วงไปแล้วเราก็เอามาติดอยู่แล้วไม่ยอมให้มันร่วงอุ่นมันมาอยู่อายที่แท้ก็เป็นเงื่อนเก่าไม่มีเงื่อนใหม่เลย นึกคิดคำพูดอยู่นี่จะพูดไปตลอดคืนก็เป็นคำพูดอันเก่าจะนึกไปตลอดคืนจะนึกไปอีกละล้านปีกดโกรดปีก็อันความนึกความคิดอันเก่าก็คือกายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขาร น, นั่นเองพระนิพพานเอากายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารไปด้วยไหมไม่ได้เอาไปหลอกแต่เอาเป็นเครื่องพิจารณาเฉยๆนะความดีก็ไม่เอาไปความชั่วก็ไม่เอาไป ดีทำดีพอแล้วชั่วก็เว้นพอแล้วเมื่อทำดีบริบูรณ์แล้วความชั่วก็หายไปหมดไม่มีชั่วเมื่อทำชั่วหมดแล้วความดีทั้งหลายก็หายไปหมดเหมือนกันพระพุทธศาสตร์ศาสนาอยู่ที่จิตใจอันมีสติปัญญาไม่ได้อยู่ในตู้ในหนังสือหนังสือในคือสติปัญญาคือจิตใจ หนังสือภายนอกคือคืออยู่ในตู้หนังสือกายก็ยังเป็นหนังสือภายนอกอยู่หนังสือวาจาก็ยังเป็นเป็นหนังสือภายนอกหนังสือในก็คือหนังสือใจมีทั้งหนังทั้งเขาด้วยโลโปให้รบลงให้หายลงโมหารให้หารลงถึงใจรักษาศีลหลายตัวก็รักษาศีลยา พระหันท่านมาได้รักษาศีลหลายตัวท่านตัดศีลลงในปัจจุบันเลยเทะศีลรักษาท่านแล้วท่านมาได้รักษาศีลเพราะท่านไม่เสียดายอยากจะล่วงละเมิดท่านจะเสียดายล่วงล่วงละเมิดทําไมท่านไม่เสียดายในโลกทั้งปวงแล้วที่ไหนท่านจะล่วงละเมิดโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคธรรมารลมท่านข้ามไปแล้วท่านไม่ติดคอกอยู่แล้วทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วย อดีตก็เป็นนาักว่าอดีตอนาคตก็เป็นนศซักว่าอนาคตปัจจุบันก็เป็นแต่ว่าศักว่าสมมุติถ้าไม่ติดอยู่ในทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยท่านก็ข้ามไปซักข้ามความหลงของตนไปซักตาหูจมูกลิ้นเป็นเราเป็นเขาหรือไม่ตาเอ๋ยเป็นเราหรือหูเอ๋ยเป็นเราหรือจมูกเอ๋ยเป็นเราหรือริ้นเป็นเราหรือตายเป็นเราหรือใจเป็นเราหรือ ตาเป็นของของเราหรือหูเป็นของของเรารถ้าเราไม่มีของเราจะมีมาจากประตูไหนธรรมะชั้นสูงถ้าผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นจะมาจากประตูไหนก็มีแต่สังขารจะกองทุกเท่านั้นหนะักท่านบอกว่าให้ปล่อยวางปล่อยวางก็คือปล่อยวางความสงสัยของตนนั่นเองเมื่อรู้ว่าเท่าตอนไหนมันปล่อยเองมันมันวางเองถ้าไม่สำคัญว่าจับจะสาคัญว่าวางทาไม ถ้าไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาแล้วมันก็เป็นเรื่อ ง, ง, งทั้งขามรุนร้วนกิเลสก็ไม่มาเป็นเจ้าของนึกละอายเอกเหมือนกันนะ่ถ้าไม่มีใจก็ไม่มีกิเลสถ้าไม่มีสนิมก็ไม่มีเหล็กถ้ามีเหล็กก็ต้องมีสนิมถ้าเหล็กดีไม่มีสนิมเหล็กสแตนเลส เหล็กไม่ดีก็ต้องมีสนิมเล็กก็ยังเป็นธาตุินอยู่เกิดขึ้นดับเป็นเหมือนกันนั่นมได้บัติเพื่อคนทุกปัญหาไม่มากปฏิบัติเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอะไรต่ออะไรมันก็ยุ่งเหยิงปัญหามากปัญหาของเจ้าตัวผู้สร้างขึ้นทําไมจึงสร้างขึ้นเพราะขบปัญหาไม่แตกก็จําเป็นก็ต้องสร้างขึ้น ขอบปัญหาของตนไม่แตกก็จำเป็นก็ต้องสร้างขึ้นเมื่อครบปัญหาแตกแล้วก็ไม่สร้างความปรารถนาก็น้อยลงปรารธนามนุษย์สมบัติมันก็ไม่เที่ยงชาปรารธนาสวรรค์สมบัติมันก็ไม่เที่ยงชาปรารธนาพรมสมบัติมันก็ไม่เที่ยงชาเดี๋นี้มันก็ดิ่งพระา槃สิ่งเดียวนั่นคือตัดเพลินในมนุษย์ตัดเพลินในสวรรค์ ตัดเพลินในภพมโรคมันก็ดิ่งพระเนพานเท่านั้นนัตนัตนัตอรหินิยะทาวารีวหาบุราปะเนปุเรทติสากะลังเอวเมวายโตทินนางเตตานังอุปกัปติ อจิตังปจิตางตุมหังเคปเมวสมัสเมจตุสเพปูเรนตุสังกับป่าจันโธปนารโสยัามณีโชติรดโสยถธาสัพพิตโยวัตัาายยนตุสัพ ป, ปุโคสัพพะโยสัพโรโคเวียนัตจตุมาเตปวัตตวันจราโยสุขีธีคายุโกพระวะอภิวาจนาสีฤษษะนิจังวัฏฐาปยาโยจัตตารธรมมวัต ทันติอายุวันโนสุขังพระลังพระลังในพระเนพานให้มีกําลังในพระเนพานอายุก็ให้มีอายุยืนในพระเนพานเพราะพระเนปาลไม่ไม่ไม่ได้หมายถึงอายุตายไม่เป็นเกิดไม่เป็นวันโนก็คือวันณัพระเนพานสุขังขอให้เป็นสุขในพระเนพานพระลังก็ให้มีกําลังในพระเนปาลหนักนันักเอาละทีไปเดี๋ยวฝนจะตก มาจากไหนวันนี้มาจากวัดสีมุกดาค่ะฮะวัดสีมุกดาหานี่ค่ะเออมาจากมุกดาหานี่จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมากองทัพทำนะคะฮะมากองพทค่ะมากรองทัพทค่ะมาภาคที่วัดสีมุกดาจะจังหวัดมูลาหานี่ค่ะมูลเพื่อนไปไหนหมดเไปที่อื่นค่ะเข้าไปเวียงราวค่ะ ยงอนยอ้ย อ, ยอไปยไปนีมาด้วยกันกี่คนมาทั้งหมดเจ็ดเจ้ยกว่าคนคะฮะแม่ชีแม่พางร้อกว่าร้อยกว่าคนเจ็กว่าคนค่ะโอ้ทีนี้เวลากลับทาไมถึงจะถือถูกกันหรือต่างคนต่างกลับ ไปพัะธาตนครพนมค่ะจะไปพักอยู่พระธาตนครพนมหกคืนหกวันค่ะและจากนั้นไปจะเข้าอุโบนค่ะจากอุโบนแล้วก็จะไปศรีสะเกดเป็นวัดสุดท้ายค่ะทั้งหมดศี่จังหวัดขาที่มาจังหวัดห้าทั้งหมดห้าจังหวัดนอนหนึ่งเดือนค่ะศรีจังหวัดหาศรีจังหวัดห้าจุดอืผู้ใจเป็นบุญก็เที่ยวไปตามบุญของตน ผู้ใจเป็นบาปก็เที่ยวไปตามบาปของตนมันขึ้นอยู่กับใจผู้สนใจในบุญบุญก็มาบวกบุญอยู่ที่ใจผู้สนใจในบาปบาปก็มาบวกบาปอยู่ที่ใจใจมีคุณเป็นมหันและก็มีโทษเป็นอ น, นันต์ถ้าทำถูกก็มีคุณเป็นมหันถ้าทำโทษถ้าทาไม่ถูกก็มีโทษเป็นอ น, นันต์ใครๆก็เหมือนกัน ใครเป็นผู้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารก็คือใจดวงเดียวไม่เกี่ยวกับอันอื่นนั่นเองถ้ามีกิเลสกิเลสก็ไปด้วยถ้ากิเลสน้อยกิเลสก็น้อยก็ไปด้วยถ้ากิเลสมากกิเลสก็มากไปด้วยถ้าไม่มีกิเลสใจก็ไม่มาท่องเที่ยวอีกเป็นชาติทุดท้ายนอกจากใจไม่มีอันใดจะทําลายใจนอกจากใจก็ไม่มีอันใดจะทําประโยชน์ให้แก่ใจ ใ จ, ใจก็เป็นที่พึ่งของใจทำก็เป็นที่พึ่งของธทำก็มีความหมายอเดียวกันใจเป็นหัวจักของกายและวาจาถ้าหัวจักพาไปทางดีกายและวาจา ก, ก็ไปทางดีถ้าหัวจักพาไปทางชั่วกายและวายจาใจก็ไปทางชั่วพ้อยใจเป็นหัวหน้าเป็นนายกศีลสมาธิปัญญาด้นลงมาหาใจ สินสิขาก็คือสิขาคือสินหมายความกว้างทั้งสิขาบทด้วยสมาธิสิขาปัญญาสิขาก็รวมลงอยู่ที่ไกลพุทธธรรมสงลงอยู่ที่ไกลไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าไปหาที่อื่นก็ยิ่งตื่นไม่พบุูกศรปัญญาวิเศษเป็นเหตุให้เคล็ดลาบในวัตถุสงสารทำคำสอนของพุทธศาสนา เป็นทำเป็นทำคำสอนที่ให้ไม่ไม่ให้นอนใจในวัฏสงสารผู้นอนใจในวัฏสงสารกับผู้นอนใจในลุ่นฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันข้ามวัะสงสารด้วยวิธีใดอดีอตดล่วงมาแล้วอนาคตยังไม่มาถึงปัจจุบันที่กําลังเป็นอยู่เอาปัจจุบันเป็นตัวศีลสมาธิปัญญาแปดหมืนสีพ่พระธรรมขันธ์ รวมลงในปัจจุบ like, ันในจิต huh. ปัจจุันธรรมนั yeah. ่นเองพระพุทธเจ้าท <cas> ั้งทุกพระองค์มารวมกันในปัจจุบันกิจิตปัจจุบันในธรรมทำทั้งหลายของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ก็มารวมในปัจจุบันกิจปัจจุบันธรรมพระอริยสงฆ์หม่ใหญ่ที่เป็นเพศไหนๆก็ตามเป็นเพศชายก็ตามเพศหญิงก็ตามก็มารวมอยู่ที่ใจแห่งเดียวในปัจจุบันนั่นเองเอาตัวปัจจุบันเป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาเป็นตัวพระพุทธรศาสนงค์ด้วย ศีลจะมีเท่าไรก็ตามก็ตัดศีลลงในปัจจุบันนกักจิตปัจจุบ น, นธรรมสมาธิก็ตั้งมั่นลงในปัจจุบันนักจิตปัจจุบนธรรมปัญญาก็รอบรู้ในปัจจุบันนักจิตปัจจุบนธรรมนั่นเองตกลงศีลสมาธิปัญญาก็กลมกลืนกันอยู่ที่ปัจจุบันนั่นเองศีลในท่านทั้นต้นคือศีลของพระโสดาวันสมาธิความือนกันปัญญากความกันศีลสิส้ยขา ชิ้กขาของพระสวสดาวันรวมในพรปัจจุบันเหมือนกันเป็นชั้นๆไปไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดศิ้นห้าไม่เสียดายอยากจะร่วงละเมิดอบายามุกไม่เสียดายอยากจะถือศาตราอื่นไม่เสียดายอยากจะยินดีในมติที่เป็นพรามหรือเป็นเลิกดียามดี เราทําดีเวลาไหนก็ในเวลานั้นเป็นเรื่องดียามนี้ไม่ได้กล่าวตู่เรืกก่องกามนั่นภูมิของพระโสดาบันไม่เสียดายอยากเล่นน้ำอยากล่วงอบายามุกไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นไม่เสียดายอยากล่วงนมนก้อนทิ้นห้านี่เป็นภูมิของพระโสดาบันภูมิของพระอนาคามีไม่เสียดายอยากจะส่งเสริมกามมวิตกความตริในทางการ ไม่เสียดายอยากส่งเสริมพยาบาทวิตกความตริในทางพยาบาทไม่เส <Okay. S 3> ียดายอยากจะส่งเสริมวิหิงสาวิตกความตริในทางเบียดเบียนไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดสินแปดไม่พอใจในกรรมอารมณ์ทางปวงไม่พอใจในโทสะรมทัางปวงนั่นภูมิของพระอนาคามีไม่เสียดายล่วงละเมิดในกรรมอารมณ์ทางปวง ไม่เช่ได้อยากจะนึกคิดและส่งเสริมด้วยพยาบาทวิตกความตริในทางพยาบาทก็ไม่ใช่ได้อยากจะส่งเสริมความตริในทางเบียดเบียนก็ไม่เช่ได้อยากจะส่งเสริมนั่นเป็นภานาามูมิของพระอนาคามีภูมิของพระอรหันต์ไม่เช่ได้อยากจะสําคัญตัวในที่ใดใด ท, ทั้ทงสิ้นท่าดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยอะ เข้าใจแล้วนะเอะเอที่นี่เอาหนังสือให้พระอรหันต์ไม่เฉยดาอยากจะยินดีในโลกทางประวงเพราะข้ามความหลงไปแล้วอดีตคืออะไร คือผู้รู้ที่ล่วงไปอนาคตคือผู้รู้ที่ยังมามาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่เห็นทุกข์ผ่อนกำลมหายใจเข้าออกไปทางรั ض. ดย่นศีลลงมาที่นี้ย่อนสมาธิลงมาที่นี้ย่อนปัญญาลงมาที่นี้เห็นทุกข์ในปัจจุบันทุกอดีต ท, ทุกอนาคตไม่ต้องสงสัยเห็นอนิจจังในปัจจบุบันอนิจจังในอนดีตอนาคตไม่ต้องสงสัย เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนในปัจจุบันสิ่งที่ไม่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนในอดีตในอนาคตเขาไม่ต้องสงสัยแต่กระเจิงเลยปฏิบัติเพื่อคนทุกปัญหาไว ม, มากหระปฏิบัติเพื่อลาบเพื่อยศอะไรปัญหามากทําไมจึงไม่ปรารถนาเพื่อลาบยศเพราะเข้าใจว่าลาบยศนั้งนี้เสริมมันอยู่ในอนิจจังใต้อนิจจังไม่ปรารถนาเสียแล้วปรารถนาเพื่อค้นไปจากกองทุกข์ทั้งปวงเท่านั้น พ้นไปจากกองทุ้งทั้งพวงก็คือพ้นจากความหลงของตนทัง้งปวงนั่นเองนะฮะแข่งแข่งแข่งแข่งแข่งแข่งแข่งแข่งแข่งแข่งแขว่ววดดแ า, าววแขาง่งแข่าางข่งแนนงแข่งแข่งแข่งแข่งแขงแข่งแ่งแ่ขงงงง อิชิตังปฏิตังตุมหังเคปะเมวัสมิจตุสเพภูเรนตสังกปากันดูภะรโสยถาวันีโชติรโสยถาสพีตโยวัจันสัสุโคสาพพโยสพโรโกวินัสัตุมาเตปวัตตันตารโยสุขีเทียคาโยโกภะอภิวาทนสีนิจานิงมัฏาปยาโนจัตารุธรมาวัจันติอายุวันโนสุขังภะัง กระจุกกระจก